เท่าทุกบรรลุซึ้งซึ่งปัญญาในสันนีสนธนาสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพคะ่ะวันนี้ก็เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่รายการสันนีสนธนาได้มาพบกับท่านผู้ฟังเวลาเช้าตรู่ของสถานีวิทยุสทรอ f m 106วิทยุครอบครัวข่าวเข้าใจทุกข่าวเข้าถึงทุกคนเนี่ยนะคะ ก็คงจะต้องใช้เวลาในการที่จะแนะนํารายการแล้วก็พูดที่จะร่วมดําเนินรายการซึ่งนอกเหนือจากดิฉันสันสนีษณ์นาคพงแล้วก็ยังมีสิทธิ์เก่าช่อง3าอีกคนหนึ่งนะคะก็คือคุณสิริวัล น, นพ ร, รัตนั่งอยู่ข้างข้างดิฉันแล้วค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังก็ถือโอกาสทักทายกันในช่วงเช้าๆแบบนี้นะคะเริ่มต้นกันสนทนาเรื่องที่ทําให้จิตใจเบิกบานเรียกว่าจะได้สดชื่นกันไปตลอดทั้งวันค่ะใช่ค่ะเพราะว่าที่มาจัดรายการเนี้ยตอนแรก เข้ามาคุยกับทางครอบครัวข่าวเนี่ยก็เข้ามาช่วยกันคิดนะคะว่าเอ๊ะอย่างเราเนี่ยทำอะไรดีมีคําถามกับตัวเองตลอดเลยค่ะใช่ค่ะแล้วสุดท้ายเนี่ยก็มาถึงการตัดสินใจใช่อยากทําในสิ่งที่ตั้งใจอยากจะทํามานานแล้วแล้วดูเหมือนกับว่ามันน่าที่จะทํามากขึ้นในสภาวะ <c oughs> ที่ดูเหมือนกับสภาพแวดล้อมเราเนี่ยมันชวนให้เราเครียด ก, กันไปทั้งหมดนะคะแล้วก็ดิฉันเองก็คุยกับคุณปุ้มคุณสิริวัลเนี่ยนะคะว่าเราอยากจะให้รายการของเราเป็นการเริ่ม วันใหม่ใช่แล้วให้ทุกคนเบิกบานกันไปตลอดทั้งวันและมีชีวิตที่เป็นมงคลหรือจะพูดง่ายๆก็เหมือนกับว่าคำว่าครอบครัวข่าวเราเหมือนคนในครอบครัวเดียวกันค่ะเราก็อยากให้คนในครอบครัวเนี่ยเริ่มต้นชุกช้าวันใหม่ด้วยวิธีคิดที่มองโลกเขาเรียกว่าแง่บวกใช่ค่ะก็จะพยายามนะคะเพราะว่าเรื่องที่ไม่ใช่แง่บวกเนี่ยเราจะพบได้ทั่วๆไปโดยเฉพาะอย่างในรายการข่าวหมายความว่าข่าวเนี่ยถ้าเขาจะนำเสนอ มันก็จะต้องเป็นเรื่องที่แรงๆเรื่องที่มาให้สติสังคมเรื่องที่เป็นอุทาหรณ์กับสังคมบางครั้งเราเลือกไม่ได้ก็เลยทําให้หลายคนว่าอุ้ยไม่อยากฟังข่าวอยากาฟังอะไรที่มันดีๆบ้างใช่ค่ะแต่จริงๆแล้วข่าวเนี่ยเราหนีไม่ได้เรา<ม>ต้อ ง, อ, ง<ม>อยู่กับเขาเขาบอกว่าเราต้องเสพนะคะปัจจุบันเนี่ยโดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารเนี่ยเขาบอกใครที่รู้มากใครที่รู้เยอะแต่รู้มากรู้เยอะเนี่ยเขาบอกว่าต้องรู้จริงด้วยใช่ค่ะก็จะเสพอย่างไรไม่ให้มีความทุกข์ดังนั้นเราต้องเตรียมตัวของเราให้ พร้อมที่จะรับกับทุกสถานการณ์แล้วก็ในฐานะที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นเมืองพุทธแถมยังได้รับการยกย่องให้เป็นเหมือนกับเมืองหลวงของศาสน า, าพุทธของโลกด้ว ย, น, ยนะคะ ซึ่งไม่นานวันนี้ก็มีการจัดงานวันวิสาขโลกในประเทศไทยชเกิดขึ้นหลายๆท่านก็ยังคงจำภาพนั้นได้นั่นเป็นแค่การจัดงานแต่สิ่งที่พี่ติวขออนุญาตเราจะใช้ชื่อเรียกกันแบบนี้จะได้รู้สนิทสนมเป็นคนในครอบครัวเดียวกันนะคะคือปุ้มกับพี่ติวจะมาคุยกันเนี่ยเราอาจจะมีแง่มุมหลายๆอย่างที่น่าสนใจแล้วก็ทราบว่าพี่ติวมีการเรียนเชิญลงพ่อที่ มีความชํานาญในการที่จะขยายคํำสอนของพระพุทธเจ้าหรือว่าหลักธรรมมาให้เราฟังกันอย่างง่ายๆด้วยใช่ค่ะคือจากการที่ตั้งแต่เด็กเลยในะครอบครัวเลี้ยงมาด้วยการที่ให้ข้อธรรมะแล้วก็ที่บ้านสภาพแวดล้อมจะมีหนังสือธรรมะให้เข้าถึงแล้วก็เข้าถึงง่ายๆแบบเด็กๆคือมีนิยายธรรมะละคร<ม>ธรรมะอย่างนี้ น, นะคะนิทานเราก็เลยทําให้รู้ว่าเออจริงๆแล้วเรื่องาศาสนาเนะี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่ ไกลตัวและไม่ใช่เรื่องที่เฉยโดยเวพาะสมัยใช่ค่ะจับได้ทุกเรื่องก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะจะได้ทราบว่าธรรมะที่เรานำเอามาฝากโดยเฉพาะในส่วนที่ท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสถิพโลแห่งวัดนาป่าพงคลสิบลำลูกกาปทุมธานีซึ่งจะเป็นพระคุณเจ้าที่เรานิมนต์มาตอบคาถามในช่วงที่เราเรียกว่าถามโลกตอบธรรมคือหมายความว่าคาถามทางโลกแต่ว่าตอบ ด้วยธรรมแล้วก็<น>จะแตกต่างจากที่อื่นนะคะก็คือท่านอาจารย์ครุกริตโสธิพโลเนี่ยท่านเป็นพระป่านะคะสาขาของวัดน้องป่าพงของบูชา่ชาแต่ว่าท่านเองเนี่ยจะให้ความสำคัญกับการที่จะ ไม่ให้ศาสนาพุทธผิดเพี้ยนไปจากที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ส่งสอนเอาไว้เมื่อ 2,600 ปีมาแล้วเนี่ยนะคะก็เลยฟังดูเถษนะคะพี่ดิวฟังดูเหมือนกับว่าคราวนี้คนที่มาฟังรายการนี้เนี่ยธรรมะที่อาจจะฟังแล้วไม่เข้าใจหรือว่าธรรมะที่ฟังดูแลอาจจะูเป็นเรื่องไกลตัวกลับกลายเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตประจําวันแล้วใช้ได้ง่ายๆใช่ค่ะจะพยายามให้เป็นอย่างนั้นและจะดีที่สุดเลยนะคะว่าท่านผู้ฟังอาจจะ สงสัยอยากถามคำถามทางโลก <คะ S 2> ที่มันเกิดขึ้นมาแล้วจะเอาธรรมะเข้าไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรเนี่ยท่านก็สามารถที่จะตั้งคำถามแล้วก็โทรศัพท์เข้ามาฝากไว้ที่เ <คะ S 1> จ้าหน้าที่ของครอบครัวข่าวของเราก็ได้ที่หมายเลขอะไรนะคะคุณปุ้มอ๋อ02นะคะ269 0060หรือว่า02 269 0006 00ค่ะและถ้าจะให้สะดวกเดี๋ยวนี้ sms กันง่ายๆนะคะที่4838106 483-8106 นกะคะรายการสันสนีสนธนาดิฉันสันส น, นา ค, คุณศิริวัล น, นพ ร, รัตน์แล้วก็พระอาจารย์คึกฤทธิ์โสติพโลเนี่ยเราก็จะช่วยให้ท่านได้คำตอบที่จะเอาธรรมเข้ามาใช้ในการที่จะทำให้ชีวิตส่วนตัวชีวิตครอบครัวแล้วก็สังคมของท่านรวมไปถึงสังคมใหญ่ของประเทศไทยของเราเนี่ยมีความสุขสงบ มันเป็นสิ่งสำคัญมากเลยนะคะเพราะเขาบอกว่าทุกครั้งที่ประเทศไทยทย้อนไปในอดีตเนี่ยเราเห็นว่าเรื่องของความรักความสามัคคีเป็นเรื่องสำคัญใช่ค่ะทีนี้ดิฉันคิดว่าเราค่อยเป็นค่อยไปนะคะรับรองค่ะเช้า ว, วันใหม่ของครอบครัวข่าวตั้งแต่ตีห้าถึงตีห้าครึ่งญญโดยขบวนนี้ <laughs> ญญ <laughs> จะญญาทาให้ญญชีวิตของท่านมีความสุขในแต่ละวันวันนี้อยากจะเริ่มต้นด้วยการที่เล่าคติธรรม นะคะง่ายๆเป็นเกร็ดมาสารค่ะที่ดิฉันเก็บมาจากหนังสือเรื่องคติธรรมในขำขันที่เขียนโดยสามสลึงเขาเรียกว่าเป็นสาระขันมันอาจจะไม่ตลกเหมือนกับเรื่องตลกที่เราดูกันโดยนักแสดงตลกแท้ๆแต่อันนี้มันเป็นเกร็ดที่ให้ง่ายคิดกับเราฟังแล้วอาจจะมีรอยยิ้มติดอยู่บนใบหน้าเช้าวันนี้อาจจะมีใครเป็นแบบคุณพรศักดิ์กับคุณสมทรงคู่สามีพัญญาคู่นี้ก็ได้แล้วคู่นี้พี่ไปเจอเขาในหนังสือเล่มนี้ใช่ค่ะ เขาบอกว่าแต่งงานกันมาไม่เท่าไรเนี่ยชักจะพูดจาไม่ค่อยถูกกันซะอันนี้สําคัญเขาบอกว่าพอเป็นคนรักกันแต่งงานกันความรักอาจหายไปแต่ความเข้าใจต้องมีมากขึ้นใช่ค่ะ<ข><า>แต่ทีนี้มันเข้าใจกันแหละแต่ก็ยังทะเลาะ ก, กันอยู่น่าแล้วก็เกลียดพูดกันแล้วทำยังไงจะนอนแล้วก็ยังงอนกันอยู่เดี๋ยวเสียเชิงค่ะแต่คุณพรศักดิ์สามีในบางเอิญจะต้องตื่นเช้าแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยตื่นเองอ๋อต้องมีคนปลุกก็อยากจะใช้บริการภรรยาคือคุณสมศงก็บอกว่า เอางี้ดีกว่าเขีย น, นจะต้องไปงทํางานตอนเช้าใส่กระดาษไว้วางไว้หัวเตียงด้านคุณสมทรงด้วยข้อความว่าพรุ่งนี้6กโมงเช้าอย่าลืมปลุกด้วยแล้วก็นอนไปค่ ะ, ะ, คะมั่นใจว่าภรรยาต้องปลุกแน่นอนใช่ค่ะมาตื่นอีกทีหนึ่งได้ยินเสียงเพลงชาติดัง8ปดโมงแล้วนิ๊ใช่ค่ะแกจะตื่น6กโมงแล้วยังไงต่อคะก็โกรธภรรยาอืคว้าแว่นตาขึ้นมาใส่นะคะเพื่อที่จะได้ไปต่อว่าต่อขานกัน ปรากฏว่ามีแผ่นกระดาษวางอยู่ใต้ว่นตาว่นตาทับกระดาษอยู่ใช่ค่ะเขียนว่าหกโมงแล้วตื่นตืนแสดงว่าภรรยาปลุกแล้วนะคะใช่ค่ะเ้าบอกว่าเนี่ยมันเป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นว่าคุณทิิพรศักดิ์เนี่ยทิฐิทํากับเขาอย่างนั้นเขาก็เลยตอบสนองด้วยปฏิกิริยาแบบเดียวกับที่ตัวเองได้ทํากับเขานี่ทักง้อบอกตั้งแต่เมื่อคืนค่ป่านนี้ ไปพบคนที่เรานัดไว้ตามนัดเรียบร้อย <c oughs> แล้วหรือถ้าเป็นหลักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่า action แอคชั่นกับรีแอคชั่นเลยนะคะเนี่ยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นแง่คิดในยามเช้านะคะว่าบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องถอนทิฏฐิที่สำคัญมันไม่ควรจะเกิดขึ้นถอยมาหน่อยนิดนึงใช่ค่ะแล้วก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่ฟังรายการของเรา ในเช้าวันนี้แล้วเดี๋ยวช่วงต่อไปยิ่งเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้นใช่ค่ะสัสนีสนทนานะคะที่ฉันสันนิษฐานพง์แล้วก็คุณสิริวัล น, นพพ ร, รัตน์เดี๋ยวในช่วงต่อไปเนี่ยค่ะจะเป็นช่วงของการพิมพวจ า, จานิมนต์พระอาจารย์มาพูดสนทนากันถามโลกตอบธรรมใช่ค่ะเดี๋ยวมาฟังกันนะคะพักกันสักครู่ก่อนคะ่ะสรรหาเรื่องราวดีๆชี้ทางบรรเทาทุกข์บรรลุซึ้งซึ่งปัญญา ขนทนา